ลแล้ยจะมาก็ขอลาออกถ้าขือนอยู่ต่อไปครูใหญ่เขาก็ต้องตายแต่ไม่ลาออกก็ตายลาออกไปก็ตายเดี๋ยวนี้ก็ตายหมดแล้วนี่ไม่เห็นอยู่เหลยนะได้ความเลยได้ความได้ความมารู้ทีหลังอ๋อสอนเด็กเป็ดนี่สอนญ้าต้องใช้ครูใหญ่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 ีิฉันเพิ่มเข้าใจวันนี้แล้วค่ะนี่พูดเอาเองตามเหตุผลเ <c oughs> ชื่อก็เชื่อไม่เชื่อกไ็อกไม่เป็นไรนะคะสอนเด็กไม่ใช่สอนงนาะเด็กเล็ก ๆ, ๆเนี่ยเขายังไม่รู้อะไรต้องใจเย็นผู้ก็เด็กเพราะๆต้องประโละเด็กด้วยครูหน่มครูสาวเขาจึงเอาไปฉันไปสอนชั้ น, น ส, สูงๆ่ะ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 ทหารก็เหมือนการที่มาที่นี่ระดับร้อยเอกนะนี่จะเล่าประวัติเท่าความหลังให้ฉันฟังสักเรื่องหนึ่งง่า ย, ายร้อยเอกเมาเนี่ยถือแป้มาเลยแผลกที่อากุตตมาก็ระดับอธิบดีก็มีก็มานั่งคุยเขายังไม่รู้เขาเมามาก็อย่าถือการเมาเข้ามาเลยเจรเร้อยเอกนะทหารโนดปลานหนดปลานต้องประจวกขีขันปลานถือแป้มา อ, อ๋อ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 ว่างนี่เดี๋ยววันนี้จะเลิกกันต่อเมื่อพระพุทธหายใจนะให้ท่านใดอีกใ จ, ใจล เ, เล้วก็เลิกวันนี้นะไม่อิจใจอย่าเลิกกว้ได้ลนะวงนี่สิพระดีเนี่ยะป็ประธานเนี่ยจิเป็นประธานกรรมฐานเป็นพระดีอยู่ในโบสถ์พระไม่โกรธอยู่ในสระนี่กรรมฐานพระตากระอยู่บนกุฏิ น, นี่พูเรื่องจริงพระดีอยู่ในโบสถูโบสถ์ดกรรมาฐานตั้งสติสถานตีเป็นพระดีแ น, น่ๆใจประเสริฐพระไม่โกรธอยู่ในสระมีน้ำใจมีสติสัมปชัญญะมีน้ำใสใจจริงอยู่ทุกสิ่งในน้ำใจจะไม่โกรธอยู่ในสระน้ำน้ำเยน็นใจเยน็นไม่โกรธคลายใช่ไหมจ๊ะ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 สามไม่ขี้อิจฉาสี่ไม่ขี้ลิษยาออกมาในรูปแบบนี้แนะ่ทำไมออกในรูปแบบนี้ผิดสเปส็คผิดช่องทีวีเลยเข้าช่องพิดนี่นี่เหตุผลเนี่ยถ้าขายอยากเป็นเศรษฐีไม่รวยก็เป็นใช้สามขี้เป็นเศรษฐีได้แต่ไม่รวยแต่มีสามขี้อะไรเอ่ยเดี๋อไปสอนเด็กสอบสัมภาษณ์มา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 งกทำงานใครจะว่าขยันก็ช่างไปไดงกเออต่อป อ, อนีน่นี่ลานงกจังอยวไปฟังอยฟังเพรามีสามา้ถงก็ต้องงกหน่อยสิงกโน่นนี่ขยา น, นี่พูดเล่นนะเผื่อจะจริงบ้างก็ไม่ว่ากันต้องงกขยานนี่เขาเรียกว่างกขเตื้อต้องเตือต้อเข้าไปเือาไไม่เป็นไรน่ะไม่เป็นไรหนอไม่เป็นไรหน่ะเสียเาบอกเขาเตือขอขอวันนี้ไม่หายพรุ่งนี้ขออีก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 จะคิดไม่ออกนะจะไม่มีสติคิดเลยเช่นลูกกรืแจหายท่านจะดาลูกดาเมียด่าผัวอะไรก็ตามถ้าจะหาไม่พบถ้าท่านไปนั่งเฉยๆอารมณ์เย็นๆลมพัดชายขาวและทำใจสบายท่านจะเนื้อตูดแจได้อยู่ที่ไหนนี่จะเห็นชัดโดยการเสียบเทียบ้าเรามีสติและมัจญยะโดยการกำหนดกรรมฐานเช่นอย่างกล่าวแล้วทาไมเราจะคิดไม่ออกแล้วใจเย็นๆ บราองว่าใจเย็นเยนลูกเอ๋ยอย่าใจร้อนนะใจร้อนเน่มันไม่ดีหรอกจะบอกให้เราเชื่อบรริตตอนใจเย็นเชื่ออัตพานใจร้อนเช่นนี้เราจะเสียงานเสียจุดเสียการด้วยของตอนนี่บอกววาอย่างนี้เพราะดะนั้นกฎแกรรมนี้จะรู้แน่แก้กรรมก็ได้ด้เราจะพูดถึงกฎแปลวดดันตำแปลวธรรมแล้วว่าทำอย่างไรมันต้องดันไปทางนั้น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 ก็อยู่ในกอของตอนงวงเวาวเผากอเป็นฉนัยวงเทวันสันเวเดวาไม่มีธูปสาวกับขัดบอกไว้ชัดเจนเดินพ่อเดินเดินพ่เดินก้าวหน้าก็เดินเปรษฐีในใจอย่าเล่นใบบนบกเดินก็เดินก้นาวหน้าออกไปคือขยันเอาการงานสะอาดสลาดรอบขอบจอบระวังตั้งใจตรงทรงทรงิรงธรงรม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 ไอ้คนนั้นก็ขี่ไอ้นู้นคนล้ไอ้คนนู้นก็เปไอ้นี้ก็ตายเบญญภาคีไอ้คนนั่นกินเหล้านี่กระเล่นกายพันนานแหมเสียใจเหลือเกินเบญญภาคีปักไว้ในที่นี้มีความหมายชัดเจนกรำหนอะต่ำเกิดมาทําไมโอ้อนาตวาสนานิจาเอ๋ยที่โทเอ๋ยที่ฉันแม่เกิดมาทําไมไม่รู้มีแต่เวน้นมีแต่กรรม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 ขอเริ่มมีผลประคาถาว่าอดแทนกรรมนี้คือเอามนุษย์มาวิจัยเพราะมนุษย์คือกุลสมบัติคือถิ่นหปานาติปาตาเวละมณีไม่ต้องเอากรรม1สองมาที่แกงอัตมาได้ผลมาอย่างนี้ถ้าใครมีคำนวณ 60% อนออกมาจากปานาติบา ต, ต้องเป็นอมภ า, าต้องง่อยเปรี้ยเสียขาขอพาท้องผ่าไส้พาโน่นพานี่เป็นมะเร็งเป็นลำไส้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 มีสามีกี่คนก็เป็นของเขาหมดมีภรรยากี่คนต้องมีทู้หมดนี่เรื่องจริงที่วิจัยได้ไม่ผิดถ้าติดมาหกสิเปอร์เซ็นตทำไมจะแก้ได้จเจริญกรรมาฐานอย่างเดียวเท่านั้นมุสาว่าปลอกเลวงโลกหวังเวลาเขาแล้วติดมาหกสิปเซตขอจเจริญพรว่าต้องโดนหลอกตลอดไปโดนโกงด้วยอย่าไปเสียใจเลยเขาโกงไปฮะเพราะเราโกงเข้ามาก่อน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 ศึกไปแล้วก็มีลูกสาวสามคนมีลูกชายสองเป็นห้าพยายาไปอาจารย์สอนตุลามหาวิทยาลัยและกนในสุดท้ายเป็นันเอกพิเศษในชั้นสุด้ายลูกสามคนนะัจบหลักสูตรมัธยมหมดแต่เข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้แม้แต่คนเดียวเข้าไม่ได้เลยคนเล็กก็เข้าไม่ได้หรือเด็กผู้ชายสองคนกับมังเรียนให้เหล่าตูกันฟังเบื้องต้นเว้นตามตามสนองและ แล้วสองคนสามีภรรยาไม่เคยสวดมนต์ไหวพระเลยไม่เดี๋ยสนใจเรียนนารายจอมปลอมาด้วยไม่สนใจทางพุทธศาสนาด้วยแม่ก็เป็นเป็นทายิกาเป็นอุบาสิกาด้วยรักษาสินกินบวชแต่ลูกไม่เอาไหนนื่ไม่เพราะเหตุดายเพราะลูกหลายคนแต่คนที่เฉโถงสินเล่ามาสุลาผู้หญิงนาฬีกีลาบัตไปตามเรื่องของครับก็ไม่ไหว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 พ่อแม่ตีลกูกเป็นบนะไม่มีหทนนะขอฝากไปด้วยลกูกคิดไม่ดีกับแม่ก็เจ๊งคิดไม่ดีกับพ่อก็เจ๊งลองจารณัยให้ละเอียดไปใจเห็นชัดธรรมะกินไม่ขึ้นรอบหลูกครูม า, าจา์ก็ธรรมะกินไม่ขึ้นแน่นอนที่สุด ข, ขอนี้นี่ยกตัวอย่างที่ลบรีวิไลครูเทพสตรีของอมาเล่นลูกเสือการมาเล่นกองไฟ้วดับคอบอตอยครูตอยครูปากเลือด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 สอนลูกให้ดีก่อนแล้วก็ให้ลูกเก่งในสังคมต่อไปก็ฝากว่า ไ, ไม่ใช่เก่งเลยเดี๋ยวลถทนลูกตายหมดนะนี่นเหตุผลก็ได้ความว่มากรรมฐานแก้กรรมไ่าดันเ่ามากอีกข้อหนึงสามีเจ้าชู้สามีเล่นการพนันเป็นนายทหารอยู่โรบรีแล้วก็ภรรยาสี่เจ็ดอกมาขอภัยไม่เจนนาทหารเป็นราช ก, การบริเอน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 บอกเขาแต่พุ่มนี้แม่เบี้ยมีปัญหาเลยสามีเนี่ยตามาเห็นหนอแลี่ยรักกันดีเหลือเกินแต่ทะเลาะ ก, กันเลยเดี๋ยวด่ากันเฉยเฉยนะ <c oughs> เลยก็เขาก็มาหาตามาตามาก็บอกว่านี่นะโยมถ้าเชื่อตามาแกได้เนี่ยเรารู้เลยสามีคนนี้ยังไม่เคยบวชบ้า น, อ, ายนาอยู่เชียงใหม่สันป่าคอยบ้านเดิมเกิดที่สันป่าคอยเชียงใหม่ ออ เ, เด่๋ออกซื้อแล้เดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักไม่ได่เดี๋ยวจะไปพูดข่าวนาเดี๋ยวก็จะมาฟ้างวัดเขาบ้านอย่เชีมยม่แต่ได้มาก็มีลูกสามคนนะแต่แล้วก็ยังไม่เคยเคยบวชในตระพุทธศาสนามัวแต่ดื่มสุรายาเมาเล่งการพนันเล่าชู้สู่สาวไปตามเรื่องของเขาแต่เขมีลูกอยู่สามคนเลยแม่บานแต่รับเหตการก็ด้วยความเข้าใจ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 สามีไปกินเหล้าเล่นกาพนันก็ขอบินธาบาลอย่าพูดถึงไม่พูดปิดแอลกอฮอล์ล้างแผลซ ะ, ะไม่ชาแผลหายไหวชิสุกยิงพูดกระจี้เข้าไปมันทำให้เกิดเยู่เก็ดเจ็บเนื้อแล้วก็มันทำให้เหลีวิสัยของเขาแก้วิธีนี้ไม่ดีแน่ต้องแก้เดียวเอาความดีเข้าแก้กลับร้ายไกลดีมั่งมีชิสุกก็มานั่งกรรมฐานเจ็ดวัน นางเสจแล้วคื อ, อาสา ม, มีเขาไปชอบนางสาววัสนาคนห น, นาาึ่งทํางานจิตรกรรมคือนางสาววัสนาก็ชอบกันแล้วก็แพรเมตตาแพรยังไงที่แรกแพรไม่ออกเหมือนกันแพรบ้างวัสนาเลยมาเอาสา ม, มีฉันเล่าแพรไปแพ่มาขอให้มันตายหัวงไปเลยนี่แต่อย่างนี้เอก แผลไม่ออกไม่ได้แผลอย่างนี้ไม่ได้แผลไม่ได้ต้องแผลใหม่หัวหน้กนากรรมฐานแล้วสามีจ๋าคุณผู้ชายสามีดิฉันเจ้าขาที่ไปชอบแม่วัฒนานั้นฉันก็อนุโมทนาขอให้แม่วัฒนาอยู่เย็นเป็นศกกับสามีฉันด้วยเถิดนี่แผลอย่างนี้สิแผลได้ไหมอย่างนี้แผ่ได้ไหมได้ไหมโปรงตกไหมตกนะอ้าโอเค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 ทิ้งเจาทูนอกบาททิ้งการมานานออกทิ้งสุรานอกบ้านคนดีเข้าบ้านเราเมื่อทำทำพิธีนี้น่อยไปพ่อเนี่ยนิลไปไหนมากลับตดนตีสองชิ้นเธาไม่คิดถึงฉันบ้างหรือฉันรู้สาวไมไ่รับข้าวลอกเธอนะแล้วว่าง่ายืย้มเฉยๆได้นะต้องพูดมีเหตุผลเลยใครพูดอย่างนี้ได้ไหม บางทีสามีโมะมาหน่อ้ไปพองเงียบเชื่อไปไหนมาตัวเดึกเดินเนี่ยนะอะไรต้องทะเลาะกันเนี่นยนะ่ยพอพออสงี่ยนมาโอ้คุณพี่โอ้โหดิฉันรอแหมยิ้มให้คุณพี่สงี่นยนสักหนยยอ่อยไม่งิ้มเลยหน้าไม่ยินอันนี้เรื่องจริงเทานะกลับมาถ่ายข้อหน้ามาอย่างนี้ครับต้องยิ้ม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 มันไม่เป็นเอียดภรรยาหรือนะ้าว่าเป็นเอียดภรรยายันนี้แล้วนี่นะกรรมฐานต้องคิดยันนี้ทุกคนอาล่ะสามีไปคนน้นชอบคนนี้ชอบมาไปหึนหวงเขาทำไมยัง